คารนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัท์อุบาศกอุบาสิากาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระรหัที่12วีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัตว์ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญมาล้าบาปมาชำระใจให้สาตาดบ ร, ริสุทธิ์ก็มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดสอนไว้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดใหม่และ เราจะไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้เอาติดตัวไปได้มีสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญหรือบาปหรือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราอยากจะไปมีความสุข เราก็ต้องเอาบุญไปเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทำบาปเราก็จะเอาความทุกข์เอาบาปไปถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาดตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชัน้นนิพพานที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรลมสุขคือเป็นความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยและเป็นความสุขที่ถาวรเพราะใจที่ ได้รับความสุขนี้เป็นใจที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับร่างกายใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่การที่เรามองไม่เห็นใจการที่ใจไม่ได้มาเกิดมีรูปมีร่างมีร่างกายนี้ไม่ได้หมายความว่าใจนั้นได้หายไปไหนใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิ มีเหมือนตอนที่เราอยู่ในขณะ น, นี้ต่างกันตรงที่ว่าในขณะ น, นี้ใจของเรายังมีเรื่องวุ่นวายอยู่มากมายมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวมีความท้อแท้เบื่อหน่ายมีอะไรต่ออะไรมากมายภายในใจของเราเพราะว่า ใจของเรายัางไม่ได้รับการชำระนั่นเองถ้าชำระแล้วใจของเราก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถกำจัดมันได้และการที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก็ไม่ไมไ่หมายความว่าจะทำให้ใจของเราสูญหายไปด้วย ใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สกโปกถ้าเราอยากจะให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ต้องเอาไปซักซักด้วยน้ำซักด้วยเครื่องซักผมซักฟอกซักแล้วคภาพสกโปกต่างๆก็จะออกไปจากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ใจของเราที่ได้รับการชำระจนไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กแล้วก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ยังเป็นเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ต่างตรงที่ว่าใจของเราไม่มีเครื่องเศร้าหมองไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากที่จะมาหลอกให้เราสร้าง ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาหลอกให้เราไปหาร่างกายมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของผู้ที่ได้รับการชำระกับใจของผู้ที่ไม่ได้รับการชำระใจของผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับการชำระนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนยังมีอยู่เหมือนเดิม เห็นงแต่ว่าใจผู้ที่ไม่มีได้รับการชำระแล้วไม่ต้องไปแบกกับพบชาติอีกต่อไปพวกเราอาจจะคิดว่าการมาเกิดดีก็เพราะว่าเราลืมะมองไปว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายมีใครอยากจะแก่ว่ามีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีใครอยากจะตายบ้าง เวลาแก่ก็ร้องห่มร้องไห้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าเราไม่มองความแก่ความเจ็บความตายกันที่จะตามมาจากการเกิดเรามองแต่การเกิดเวลาเกิดมาเราดีอกดีใจกันเพราะเราคิดว่าเราจะได้ไปทำอะไรต่างๆได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่เราไม่มองว่าเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้่กายได้เพราะนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราลัลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้คิดว่าพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ให้คิดอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เบื่อกับพานที่เราจะต้องมาเกิดแล้วถ้าเราเบื่อเราก็จะได้กำจับ เหตุที่ทำให้เรามาเกิดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ถ้าเราหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะหยุดพบหยุดชาติได้หยุดการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทำมาแล้วเป็นสิ่งที่ทำกันได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยแต่ต้องมีความพยายามและต้องรู้จักวิธีทำให้หยุดความโลภความโกรธความอยากไดนะ้การจะรู้ก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมนะพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติกําหนดวันพระวันธรรมศสวนสขึ้นมาวันพระวันธรรมศสวนสก็แปลว่า วันฟังธรรมธรรมัตสวาณะแปบลบว่าวันฟังธรรมฟังธรรมเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทําอะไรทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ทําอย่างที่เป็นประโยชน์ชั่วคราวแล้วก็มีโทษตามมาอย่างที่เราทํากันนี้เรากําลังทําประโยชน์ชั่วคราว ก็คือการหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาอันนี้เป็นการหาความสุขชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถหาได้แล้วในขณะที่หาบางทีเราก็อาจจะไปทำบาปได้อยากจะหาเงินง่ายๆเร็วๆ วิธีที่จะทําได้ง่ายได้เร็วก็คือการทําบาปเช่นการลักทรัพย์การช่อโกงการโกหกหลอกลวงพอเราทําบาปแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับทําผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางแต่เจ้าหน้าที่ของผู้ที่จะมาจับเราไป <c oughs> ใช้บาปใช้กรรมนี้ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือใครทำบาปก็ต้องไปใช้บาปไม่ต้องมีใครมาตามจับเช่นเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ทำบาปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้าง นี่คือโทษที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทำบาป ก, กันแล้วอาจจะคิดว่าตายไปแล้วเราสูญอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ความคิดความคิดของเราไม่ตรงกับความจรงิงความจริงพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วได้เห็นแล้วว่าร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าไม่อยากจะไปรับผลบาป ก, ก็อย่าทำบาปทำกรรนะพยายามรักษาศีลห้าให้ได้อย่างวันนี้ยาติโยมก็มาสมาทานศีลห้ากันการสมาธานนี้ก็คือการตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้หรือกี่วันก็ได้จะรักษาศีลห้าข้อนี้จะไม่ละเมิด คือจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเราถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ทําบาปพราะเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมนอาบาปนี่คือกฎแห่งกรรมอย่างตอนนี้ญาติโยนก็กำลังรักษาศีลห้ากันอยู่ได้อย่างครบถ้วน ว่าตอนนี้นั่งอยู่เฉยยไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้เสพสุรายาเมาแสดงว่าทุกคนรักษาได้ถ้าจะรักษาฉะั้นพยายามคิดถึงผลของบาปที่จะตามมาเพื่อที่จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกันเหมือนกับ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาผิดกฎหมายเช่นไปขับรถผิดกฎจราจรเดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับไปปรับถ้าเราไม่อยากจะเสียค่าปรับเราก็ต้องขับรถให้ถูกกฎจราจรก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนการทาตามกฎตามระเบียบตามศีลตามธรรมนี้ ไม่ได้เป็นของยากเย็นตรงไหนเลยส่วนใหญ่เราก็รักษากันได้มีเวลาพังเผลอเวลาที่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเท่านั้นที่เรามักจะผิดพลาดกันเช่นเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินทองของตนเองได้ก็อาจจะข้าโมยเข้าไปในร้านพอคนขายเผลอ ก็หยิบของใส่กระเป๋าไว้เลยอันนี้การทำบาปมันทำได้ง่ายเหมือนกับการไม่ทำบาปการที่เราจะทำไม่ทำบาปได้นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องมีสติต้องคอยดูการกระทําของเราถ้าเรามีสตินี้เราจะรู้ทันทีถ้าเราจะไปขโมยของปรเราก็หยุดได้ถ้าเราจะไปฆ่าสัต เราก็หยุดได้ถ้าเราจะไปประพฤติผิดประเวณีเราก็หยุดได้ถ้าเรารู้ก่อนรู้ว่าเรากำลังจะไปทำผิดแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำไปได้การไม่มีสตินี่ก็ถือว่าเป็นการไม่รู้ถึงแม้ว่าจะรู้แต่ก็รู้แบบไม่ทันการทำไปแล้วถึงค่อยมารู้ทีหลังพูดไปแล้วพูดโกหกไปแล้ว ถึงจะมารู้ทีหลังว่าพูดโกหกตกบยุงไปแล้วถึงจะรู้ว่ามาตกบยุงเวลาจะทำบาปนี่บางทีมันเร็วมากใจนี้มันเร็วยิ่งกาเริงสิถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูมันนี่บางทีตามันไม่ทันอย่างวันนี้ญาตโยมมาสมาทานสีหน้ากันก็ออกจากศาลาไปนี่เดี๋ยวเผ้อปั๊บก็ไปพูดโกหกกันแล้วเผอปั๊บก็ไปหยิบของคนอื่นมาแล้ว เพราะเราไม่มีสติฉะนั้นเราต้องฝึกสติคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะทางใจถ้าเราเห็นการกระทําทางใจได้เราจะหยุดการกระทําทางวาจาทางกายได้เพราะการกระทําทางกายทางวาจานี้จะต้องรอให้เกิดการกระทําทางใจก่อน เช่นใจต้องคิดก่อนต้องสั่งก่อนสั่งว่าให้ไปหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้มาสั่งให้ไปพูดอย่างนั้นสั่งให้ไปพูดอย่างนี้ถ้าเราฝึกเจริญสติคอยเฝ้าดูผู้สั่งการคือใจพอใจสั่งให้ทำอะไรถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรเราก็หยุดมันได้เลยเช่นสั่งให้ไปหยิบของของคนอื่น โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของพอมันจะหยิบปั๊บพอจะสั่งให้หยิบปั๊บเราก็ต้องหยุดมันเลยถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้ดังนั้นเราควรที่ฝึกเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆวิธีจะฝึกให้มีสติก็คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมีเวลาว่างไม่ต้องใช้ความคิด ก็ให้บริการพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราบริการพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นความคิดของเราเวลาคิดจะทำบาปเราจะเห็นทันทีแล้วเมื่อเห็นเราก็จะหยุดมันได้ทันทีถ้าเรามีความกลัวบาปถ้าเรารู้ว่าทำบาปแล้วเราจะต้องไปรับผลของบาปต่อไปเรามีใครอยากจะกลับมาเกิดเป็นสุนัขบ้าง มีใครอยากจะไปตกนรกบ้างถ้าเราคิดถึงผลที่จะเกิดความทุกข์ที่จะตามมาเราก็จะไม่กล้าทาบาปแล้วพอเรามีสติคอยดูความคิดของเราว่าคิดให้ทำอะไรถ้าคิดให้ทำบาปเราก็หยุดมันเลยเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลของบาปอีกต่อไป นี่ก็คือวิธีการไม่ทำบาปเราต้องมีสติคอยดูความคิดคือดูใจผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสองเราต้องมีโอตตัปะคือความกลัวบาปเราต้องมีฮีริความละอายในการทำบาปเพราะคนทำบาปนี้เป็นคนไม่สวยงามนั่นเอง คนเราเวลาจะคบกันนี่เราดูที่ไหนดูที่หน้าตาหรือว่าเราดูที่นิสัยใจคอถ้านิสัยดีถึงแม้ว่าหน้าตาไม่ดีก็น่าคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะงั้นเราต้องมีความอาย เพราะการกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สวยงามนั่นเองเหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่เวลาที่เราจะออกจากบ้านได้นี่เราต้องทำอะไรก่อนเราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมส่องดูกระจกก่อนว่าหน้าตาเรานี่พอไปวัดไปวาได้หรือเปล่า ถ้าตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตายังไม่ได้วิผ้าวีวผมถ้าใครมาชวนให้ออกไปนอกบ้านก็จะไม่กล้าออกไปอย่างแน่นอนฉัในใดการไม่มีศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับการไม่ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้มีการวิผ้าวีวผม ล, ล้างหน้าล้างตานี้เองเราก็จะไม่กล้าออกไปหาใครถ้าเรายังมิทำบาปอยู่ เรายังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณีอยู่ถ้ามีใครเข้ารู้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกงเราเป็นคนขี้โกหกเราเป็นคนชอบไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อคิดดูว่าจะมีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเรานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสร้างจิตสำนึกขึ้นมา ว่าการทำบาปนี้ไม่ดีเป็นการทำให้เราไม่มีคุณค่าราคาทำให้ไม่มีคนเข า, เ, าเขารบนับถือไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราไม่มีคนคบค้าสมาคมเราจะทำอะไรก็จะลาบากเพราะว่าทำคนเดียวนี่มันยากถ้าไม่รู้จักคนมีคนที่เขายินดีที่จะช่วยเหลือเรา การกระทำอะไรต่างๆมันก็จะทำได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วและได้รับผลสำเร็จดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนมีฝูอยากจะให้คนเขาเคารพนับหน้าืูตาเราก็ต้องมีสี่งแล้วก็เราก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆพุทธโธอยู่เรื่อยๆพอเรา ฝึกอยู่ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นความคิดของเราเวลาเราคิดจะทำอะไรเราจะเห็นมันเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะทำตามความคิดหรือเปล่าถ้าคิดทำบาปก็หยุดเลยถ้าคิดทำดีก็ทำเลยอย่างวันนี้ญาติโยมคิดจะมาทาบุญมาเข้าวัดมารักษาศี มาฟังเทศฟังธรรมพอคิดอย่างนี้ก็สั่งให้ร่างกายมาเลยออกเดินทางมาเลยถ้าคิดดีก็ทําไปเลยอย่ารอรีเพราะเวลาไม่ค่อยใครเวลาของเรานี้ไม่แน่นอนชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนชีวิตของเราจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่รีบทําความดีไว้เวลาเรา ตายไปเราจะไม่มีบุญติดตัวไปเราจะไม่มีความสุขติดตัวไปเราก็จะไปแบบขอทานไปต้องไปแล้วก็ต้องมาขอทานจากผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเวลาที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญไปอันนี้ก็เป็นการส่งบุญให้กับผู้ที่ไม่มีบุญติดตัวไปถ้าเขามีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญ เพราะเขาเป็นเศรษฐีบุญทำบุญเยอะๆไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมากลับมาขอบุญจากคนนั้นขอบุญจากคนนี้บุญที่เราส่งไปให้ก็เป็นเซี่ยวเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานแต่บุญที่เราทำนี้เป็นเหมือนเงินเป็นก้อนที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้มีบุญแล้วเราก็จะไป อยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับเราเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรามีเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปอย่างสบายขึ้นเครื่องซื้อตั๋วชั้นหนึ่งได้ไปพักโรงแรมห้าดาวไปกินอาหารร้านห้าดาวไปเที่ยวระดับห้าดาวได้เพราะเรามีเงินจ่ายฉันได้เวลาร่างกายนี้ตายไป ก็เหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางไปต่างประเทศแต่ต่างประเทศของเราเนี่ยในที่นี้ก็คือโลกทิพย์นี่พอเราออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเราก็ไปโลกทิพย์ถ้าเรามีบุญมีบุญติดตัวไปเราก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปเราก็ต้องไปเป็นเปรยบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบาปพนี่คือธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างนี้ใจของเราต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของใจก็คือบุญบาปก็คือเจ้าหนี้ของใจถ้าทาบาปก็เท่ากับการเป็นสร้างเป็นการก่อสร้างหนี้ขึ้นมาเมื่อมีหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้เพราะเจ้าหนี้เขาจะตามมาเก็บหนี้นั่นเอง พอตายไปเจ้านี่ก็จะมาเดินเอาไปใช้ใช้หนี้ทันทีถ้านี่มากก็ไปนรกถ้านี่น้อยหน่อยก็มาเป็นเปรตดป็นผีถ้าน้อยกว่านั้นก็มาเป็นเดรัจฉานมีหลายระดับด้วยกันนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตแล้วนําอามาเผยแผสั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหมือนคนตาบอด ก, กับคนตาดีนี่เองคนตาดีย่อมเห็นอะไรต่างๆที่คนตาบอดมองไม่เห็นพขาพุทธเจ้าตาดีท่านมีตาทิพท่านสามารถดูใจของเราที่เป็นร่างทิพย์ได้แต่พวกเรานี้ไม่มีตาทิพย์เรามีแต่ตาเนื้อเราจึงมองเห็นแต่ร่างกายเท่านั้นมองไม่เห็นร่างทิพย์ของเรา เราจึงไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราไปไหนต่อบางคนก็ไปคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์เหมือนคนสมัยก่อนที่คิดว่าโลกนี้แบนโลกนี้นบรรเลหรือไม่แบนโลกนี้มันกลมหรือแบนกันแนะ่คนที่ตาบอด ก, ก็จะไปคิดว่าโลกนี้แบนแต่คนที่ตาดีคือคนที่ฉลาก็จะคิดว่ามันไม่แบนมันกลมเขาพิสูจน์ได้ ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นคนฉลาดท่านก็พิสูจน์ได้ว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังไปต่อเราก็คือใจนี้เองนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นกันเมื่อเราไม่เห็นเราจะทำอย่างไรก็มีสองทางจะเชื่อคนตาดีหรือไม่เชื่อเชื่อคนตาดีถ้าเราจะไปไหนมาไหน เราให้คนตาดีนำทางหรือเราเดินไปเองอย่างไหนจะอย่างไหนจะดีกว่าถ้ามีคนตาดีนำทางเราก็จะสามารถนำทางพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้อย่างปลอดภัยอย่างรวดเร็วถ้าเราต้องไปเองเราก็ต้องคำทางไปคำผิดคำถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีไป ไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางเราต้องไปเพราะเราไม่มีตานั่นเองดังนั้นถ้าเรายังตาบอดอยู่สิ่งที่เราควรจะทําก็คือควรให้คนตาดีพาเราไปพวกเราทุกคนอยากจะมีความสุขกันอยากจะไม่มีความทุกข์กันอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่ถ้าเราต้องไปหาทางไปเอง เราจะไม่มีวันหาทางเจอเพราะเราตาบอดนั่นเองแต่ถ้าเราพบคนตาดีที่เขาได้ไปถึงทางที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแล้วถ้าเราขอให้เขาพาเราไปเราก็จะสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ดังนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกที่เป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อคนตาดีเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆก็อนที่เราจะไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ เชื่อกันเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์อย่างวันนี้กำลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ธรรมนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคืออบายมีจริงผลของบุญคือสวรรค์ต่างๆชั้นต่างๆมีจริงตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้ เราก็จะได้ทำแต่บุญเราจะไม่ทำบาปกันเพราะเราไม่อยากจะต้องไปรับผลผลของบาปตนเองแล้วถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็ต้องกำจับความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต้องการจะไปกันได้ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและการได้พบความสุขที่ถาวรสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอกันตอนนี้เรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์กันเรายังมีความทุกข์มาคอยเหยียบย่ทำทําลายจิตใจของเราอยู่เรื่อยเื่อยเรายังไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ ความสุขที่เราได้นี่เป็นความสุขกรองเพราะมั น, ม, นมันมีเดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟได้มาปั๊บแล้วมันก็หายไปต้องคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างถาวรเช่นเดียวกันจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อแล้วก็ขอให้เราปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้รับกันอย่างแน่นอนาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา